น้ำที่นครสวรรค์กับที่กรุงเทพหน้าตามไม่เหมือนกัน <c oughs> น้ำนครสวรรค์เขาดีกว่าถึงกรุงเทพสกปลกน้ำไหลลงที่ต่ำเรื่อยๆไหลลงมาแล้วก็สกปลกมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนจิตนะไหลลงที่ต่ําเรื่อยๆแล้วปล่อยไปเรื่อยๆยิ่งโสกปลกไปเรื่อยๆมันสะสมกิเลส สะสมความเคยชินที่จะทําชั่วงั้นจิตเนี่ยเป็นของที่ปล่อยตามใจชอบไม่ได้มีหน้าที่ต้องให้การเรียนรู้กับมันจิตนั้นเป็นธรรมชาติที่เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจปรารถนาแต่จิตเป็นธรรมชาติที่ฝึกฝนได้งั้นเรามีหน้าที่ฝึกฝนจิต ให้คุณภาพมันสูงขึ้นจะสะอาดผ่องใสคู่ควรกับธรรมะซึ่งเป็นของสะอาดจิตของเรามีคุณภาพแค่ไหนเราก็เห็นสภาวะธรรมแค่นั้นอย่างวันไหนจิตใจเราเศร้าหมองนะโลกทั้งโลกก็เศร้าหมองไปหมดวันไหนจิตใจเราผ่องใสโลกทั้งโลกก็ผ่องใสถ้าวันไหน ใจของเราไม่มีกิเลสนะไม่มีความปรุงแต่งหมดความดิ้นรนเราหเห็นสิ่งซึ่งพ้นจากความปรุงแต่งพ้นจากความดิ้นรนพ้นจากกิเลสตัณหาคือพันิพนัณฑ์พันธิภัานเป็นของมีมมอยู่แล้วไม่ใช่ของที่เกิดขึ้นใหม่สดๆร้อนๆเหมือนกิเลสกระทั่งมรรคผลก็เป็นของที่เกิดขึ้นใหม่สดๆร้อนๆเกิดแล้วดับ นโลกุตตะธรรมบางอย่างนะเกิดแล้วดับโลกุตตะธรรมบางอย่างไม่เกิดไม่ดับแต่ขันทั้งหลายรูปนามทั้งหลายเป็นสภาวะธรรมที่เกิดดับงั้นไม่ใช่โลกุตตะแล้วจะต้องเที่ยงเสมอไปนะอริยมรรยาผลนี่เกิดแล้วก็ดับเลยไม่อยู่นานนะสั้นนิดเดียวสั้นกว่าราคะที่เกิดครั้งหนึ่งซะอีกสั้นกว่าโทสะที่เกิดคราวหนึ่งซัอีก เวลาอริยมรรอริยผลเกิดเราสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได้จิตเป็นอนัตตาแต่เราฝึกฝนเราให้การเรียนรู้กับจิตได้เพราะฉะนการที่เรามาหัดปฏิบัติธรรมนี่มันก็คือการพาจิตไปเข้าโรงเรียนนั่นเองให้การเรียนรู้เหมือนเราพาลูกไปโรงเรียนเราไปฉลาดแทนลูกไม่ได้ไปสอบเก่งแทนลูกไม่ได้ เด็กจะเกง่งหรือเด็กจะฉลาดอยู่ที่ตัวมันเองเราเป็นผู้ปกครองนะเราให้ได้แค่โอกาสในการเรียนรู้จิตนี้เหมือนกันเราสั่งให้มันบรรลุมรผลไม่ได้สั่งให้มันดีก็ไม่ได้ห้ามมันชั่วก็ไม่ได้ทำอะไรกับมันไม่ได้จริงหรอกให้การเรียนรู้มันได้เราพยายามให้การเรียนรู้กับจิตฝึกฝนมันไป พัฒนาเลยมันมีศีลมีสมาธิมีปัญญาพร้อมแก่รอบนะกระบวนการแห่งอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นเองเราสั่งไม่ได้พระพุทธเจ้าให้แนวทางพวกเราไว้แล้วการปฏิบัติต้องปฏิบัติให้ครบจะเอาแต่ปัญญาอย่างเดียวไม่ได้เอาศีลอย่างเดียวไม่ได้เอาสมาธิอย่างเดียวไม่ได้เอาสองอย่างก็ไม่ได้ เอาศีลกับสมาธิแล้วไปหวังว่าจะบรรลุมรรคผลก็ไม่ได้จะเอาสมาธิกับปัญญาสองอย่างเราจะบรรลุมรรคผลก็ไม่ได้ต้องถึงพร้อมครูเจ้าถือสอนว่าต้องให้ถึงพร้อมทํากุศลให้ถึงพร้อมเพื่เราจำโอวาทาปฏติโมกได้ไหม ไม่ทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตให้ผ่องแผ้วฟังแล้วมีงานสามอย่างแต่ทางสามอย่างนั้นมันงานเดียวกันอะไรที่เป็นตัวบาปตัวกุศลราคะโทสะโมหะให้ขจัดพวกนี้ไปให้หมดทำกุศลให้ถึงพร้อมอะไรเป็นตัวกุศลอาโลภาอาโทสะอโมหะ เป็นตัวกุศลตัวอกุศลก็โลภะโทสะโมหะตัวกุศลอ oh นะโลภะอโทสะอโมหะคาว่ากุศลเพราอนั้นถ้าเมื่อไหร่ร้ายชั่วนะมันก็ดีของมันเองนะอัตโนมัติเลยมันเป็นงานเดียวกันนั่นแหละแล้วถ้าเราสามารถเข้าถึงอะโลภะอะโทสะอโมหะได้จิตก็ฟ่องแผ้วแล้ว ดัน้นที่ไม่ทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตให้ผ่องแผ้วเอาเข้าจริงก็งานเดียวกันหนะึ่งงานล้างกิเลสออกจากใจเรากิเลสออกจากใจเรามันก็ดีแล้วดีแล้วมันก็ผ่องแผ้วขึ้นมานี่เครื่องมือในการล้างกิเลสนะคือศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่อันใดอันหนึ่งหรอกเหมือนอย่างเป็นหมอนะไม่ใช่มีแต่เข็บฉีดยาาเดียวรักษาได้ทุกโรคทําไม่ได้ มีมีผีผ่าตัดอยู่เล่มเดียวรักษาทุกโรคก็ทําไม่ได้ก็มีเครื่องมือนาน า, นานชนิดในการรักษาโรคเป็นหมอมีเครื่องมือหลายอย่างคนไข้อาการแบบนี้ก็ใช้เครื่องมืออย่างนี้อาการหนักมากแล้วรถชดมากระลุ่งกระลิ่งตัดเอาเลื่อยตัดเอาอะไรตัดกิเลสก็เหมือนกันนะกิเลสอย่างหยาบสู้ด้วยศีล กิเลสอย่างกลางใช้สมาธิกิเลสอย่างละเอียดต้องใช้ปัญญาสู้แต่ทั้งหมดนะศีล ส, สมาธิปัญญารักเง่าตัวสําคัญในที่ขาดไม่ได้เลยก็คือสติเมื่อไรขาดสติมันนั้นขาดศีลเมื่อไรขาดสติก็ขาดสมาธิขาดสติก็ขาดปัญญางั้นเราต้องมาพัฒนาสติให้ดี หลังๆคนลืมเรื่องสติไปนะพูดแต่เรื่องสมาธิคีดว่าต้องทําสมาธิมากๆทําสมาธิแต่าขาดสติเมื่อเป็นมิจฉาสมาธินะรักษาศีลไม่มีสติศีลนะเข้ากระพร่องกระพ้ั่งรักษาไม่ได้จริงไนะปรักษาศีลด้วยกายด้วยวาจาไม่ได้รักษาที่ใจนะสติเป็นเครื่องมือรักษานะหน้าที่ของสติคืออารักขานะ ในตำราบอกไว้ชัดเลยสติมีหน้าที่อารักขาคุ้มครองคุ้มครองจิตนั่นเองไม่ให้ตกไปสู่ที่ชั่วคุ้มครองรักษาให้มันพัฒนาไปสู่คุณงามความดีเงันตัวสําคัญมากนะที่จะเป็นแกนกลางของการปฏิบัติคือความมีสตินั่นเองเราต้องมีสติฝึกให้มากนะสติเป็นเครื่องระลึกรู้กายระลึกรู้ใจ ระลึกรู้ธาตุระลึกรู้ขันระลึกรู้อายตนะระลึกรู้ธาตุเมื่อวานหลวงพ่อสอนเรื่องธาตุรู้อินรีย์รูปปฏิจจสมบาทรู้อริยสัจฟังว่ารู้เยอะแยะแต่ย่อลงมาแล้วก็คือรู้รูปน้ำสติเป็นเครื่องมือรู้ทันรูปน้ำที่มีอยู่ที่ปรากฏอยู่ ถ้าามาฝึกสติอยู่เฉยๆสติไม่เกิดหรอกสติเกิดจากจิตจําสภาวะได้แม่นมหาหัดดูสภาวะบ่อยๆแล้วสติจะเกิดไม่ใช่นั่งสมาธิมากๆแล้วสติเกิดนะคนละเรื่องกันเลยสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิการที่จิตจําสภาวะได้แม่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติ เหตุกับผลต้องตรงกันเบื้องต้นก่อนที่เราเจะไปพัฒนาศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาเราต้องพัฒนาสติก่อนขาดสติก็ขาดศีลขาดสติก็ขาดสมาธิขาดสติก็ขาดปัญญาสติจะเป็นธรรมที่มีอุปการะมากจิตทุกดวงที่เป็นกุศลต้องประกอบด้วยสติเสมอเลย จิตที่ปราศจากสติไม่เป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลนะไม่ว่าจะเป็นกุศลอยู่ในโลกธรรมดาอย่างของเรานี้หรือกุศลในรูปประพบรูปประพบธรตมต้อมีสติเวลามาฝึกนะสติก็มีสองพวกสติอย่างโลกโลกอันหนึ่งนะกับสติที่จะพัฒนาจิตใจไปสู่มรรคผลนิพพาน สติที่จะพัฒนาจิตใจไปสู่มรรคผลิพันต์เป็นสติที่ะระลึกรู้รูปนามรู้กายรู้ใจถ้าะระลึกรู้อย่างอื่นเช่นอยากทำบุญใส่บาตรเนี่ยถามว่าขณะนั้นมีสติไหมมีเป็นสติโลกโลกทำงานได้ไม่ผิดพลาดอมีสติไหมมีสติโลกโลกสติอย่างนั้นไม่เกี่ยวอะไรเราต้องมาทำสติที่เรียกว่าสติปัฏฐานนั่นเอง งั้นเรามาพัฒนานสติด้วยการทําสติปัฏฐานสติปัฏฐานนั้นเป็นสติที่ระลึกรู้รูปนามรู้กายรู้ใจไม่ใช่สติระลึกรู้อย่างอื่นนะบอกแล้วว่าสติเกิดจากจิตจับสภาวะได้แม่นนะสภาวะที่เราต้องการให้สติระลึกก็คือรูปนามงั้นมาหันรู้รูปรู้นามของตัวเองบ่อยๆพวกเราทุกคนนะ รู้รูปรู้นามได้อยู่แล้วเนี่ยวันแรกที่มาเข้าคอร์สนะเมื่อวันศุกร์หลวงพ่อก็บอกอย่างนี้ว่ามันไม่ใช่รู้ยากทุกคนรู้ได้แต่ละเลยที่จะรู้เท่านั้นเองงั้นเราไม่ลาเลยที่จะรู้รูปรู้นามของตัวเองนะพยายามนึกถึงมันบ่อยๆศัตรูของการจะไปรู้รูปนามนะวันแรกหลวงพ่อสอนไปแล้วนะนแรกคือหลงไป หลงตามกิเลสไปนะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเนี่ยหรือหลงไปดูเห็นของสวยของงามสนใจไปดูไม่รู้ว่าใจกำลังชอบอยู่นะเห็นของน่าเกลียดน่ากลัวก็ไปดูเวลารถชนกันตามถนนรู้สึกไหมบางคนก็รู้สึกสยองที่จะดูนะแต่ถามว่าดูไหมดูส่วนใหญ่ดูขณะนั้นไม่ยอมดูว่าใจกำลังสยดสยองอยู่หรือใจกำลังอยากรู้อยู่ มัวแต่ไปดูถนนดูว่ารถเขาชนกันยังไงเราอย่าลาเลยที่จะคอยรู้กายรู้ใจตัวเองที่เรารู้กายรู้ใจตัวเองไม่ได้สติไม่เกิดเพราะเราล้าเลยที่จะรู้เท่านั้นเองต่อไปนี้เราไม่ละเลยร่างกายหายใจออกคอยรู้สึกร่างกายหายใจเข้าคอยรู้สึกร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนคอยรู้สึกร่างกายคูร่างกายเหยียด ร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งค่อยรู้สึกไปเรื่อยแค่รู้สึกไม่ได้ให้นั่งจ้องดีกรีไม่เหมือนกันเอาแค่รู้สึกนะอย่าไปนั่งจ้องนะอย่าจะขยับมือก็จ้องให้จิตเกาะนิ่งอยู่กับมือนะเอาแค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของกายแค่รู้สึกถึงความเคลื่อนไหวของกายนะแค่รู้สึกอย่าไปจ้องจ้องอยังเคร่งเครียดใจยุ่งตื้อๆแข็งๆ หรือจะใช้ฐานของเวทนาก็ได้ในกายในใจของเรานั้นมีเวทนาเกิดอยู่ตลอดเวลาอย่างในร่างกายนะั้นเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์สังเกตไหมในร่างกายเวลาความทุกข์เกิดขึ้นมาไม่ได้เกิดทั้งตัวมันเกิดเป็นหย่อมๆนะเกิดเป็นที่ๆก่อนนะอาจจะ ก, กระจายกว้างออกมาจากจุดเล็กๆในจิตใจก็มีเวทนาเกิดขึ้นตลอดเวลา เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยๆสามอย่างเนี้เวียนอยู่ตลอดวันมีอยู่ทั้งวันทุกคนรู้ได้แต่ลาเลยที่จะรู้อย่างร่างกายเจ็บปวดขึ้นมานะก็ไม่รู้ไม่สนใจนะอย่างยุงกัดคันๆนั่นนะก็เก่าๆไปนะไม่รู้ว่ากําลังคันอยู่จิตใจกําลังมีความสุขนะไปไปคุยกับเพื่อนจิตใจมีความสุขขึ้นมา ไม่รู้ทันว่าจิตใจกําลังมีความสุขมาจะเพลินคุยกับเพื่อนเราล้าเลยเท่านั้นเองหรือมีความทุกข์เกิดขึ้นน้ําท่วมบ้านมีความทุกข์เกิดขึ้นเราก็คิดแต่เรื่องน้ําท่วมเราล้าเลยที่จะรู้ว่าจิตใจกําลังมีความทุกข์อยู่รู้ได้ไหมว่ากําลังทุกข์รู้ได้รู้ได้ทุกคนสภาวะธรรมนั้นแสดงตัวอยู่ตลอดเวลานะ ผู้ใส่ใจผู้สนใจก็รู้ได้ไม่ใช่เรื่องลึกลับไม่ใช่เรื่องยากเกินไปโดยเฉพาะนา ม, มาทําทั้งหลายนะรู้ง่ายความสุขความทุกข์กุศลอกุศลนะโลภโลกรดลงอะไรพวก น, ก น, นี้ใครๆก็รู้จักแต่รูปแท้ๆดูยากนะเมื่อวันแรกหลวงพ่อสอนไปแนละ้วตัวรูปแท้ๆคือธาตุดินน้ําไฟลมนะมันจุอยู่ในอากาศสาธาติอันนี้ดูยากที่เราเห็นนั้นมันเป็น รูปโดยโมหารโดยสมมุตินะอย่างผมคนเล็บฟันหนังอนะไรยสมมติขึ้นมาในผมนั่นแหละมีทั้งดินน้ำไฟลมมันจุอยู่ในอากาศสาศัตนดูยากตัวรูปสมาธิไม่พอไม่เห็นแต่นำมาทำนั้นเป็นของดูง่ายความโลภทุกคนรู้จักความโกรธทุกคนรู้จักความฟุ้งซ่านความหดหู่เรารู้จักทางนั้นเลย ความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆทุกคนก็รู้จักอยู่แล้วดีใจเสียใจอิจฉาพยาบาทนะกังวลกลัวเครียดเซงเบือ่อเซงกับเบื่อก็ไม่เหมือนกันนะเราแยกแยะสภาวะทางจิตใจของเราได้นะละเอียดยิบนะเลยยอะแยไปหมดเลยทุกคนรู้จักแต่ไม่ยอมรู้ต่อไปนี้หัดรู้บ่อยๆ นี่วันนี้เป็นวันที่3นะที่มาเข้าคอร์สมาถึงขั้นในการลงมือทําจริงๆแล้วทําจริงก็คือพัฒนาสติขึ้นมาโดยการหัดรู้สภาวะให้มากเลยสภาวะเรารู้ได้อยู่แล้วเมื่อตาหูจมูกเล่นกายใจกระทบอารมณ์นะต่อไปนี้เมื่อตาหูจมูกเล่นกายใจกระทบอารมณ์ความสุขเกิดขึ้นให้รู้ทันความทุกข์เกิดขึ้นให้รู้ทั น, นความเฉยๆเกิดขึ้นให้รู้ทัน เมตาหัวจมูกเล่นกาใจกระทบอารมณ์นะจิตเป็นกุศลให้รู้ทันจิตโลภจิตโกรธจิตหลงเกิดขึ้นให้รู้ทันหัดรู้ไปเรื่อยทุกคนรู้ได้แต่ละเลยที่จะรู้ต้องจําคํานี้ไว้นะอย่าไปนึกว่าดู เ, เป็นของยากโกรธม่นจะยากอะไรใครๆก็รู้จักแต่พอเราโกรธเนี่ยเราไม่ดูใจที่โกรธไม่รู้ทันว่าใจกําลังโกรธอยู่เราก็ไปดูไอ้คนที่ทําให้เราโกรธน โกรธคนไม่ได้บางทีก็โกรธน้ำใช่ไหมน้ำมาโกรธใครโกรธน้ําบ้างมีไหมโกรธน่นโกรธนี่นะพายุมาโกรธลมฝนตกเยอะโกรธเทวดาเทวดาไม่เกี่ยวเลยอโกรธหมดเลยเอาออกนอกหมดเลยย้อนกลับเข้ามาอย่าออกนอกอย่าออกนอกคอยย้งนกลับเข้ามารู้ทันใจของตนเองไปตามธรรมชาติธรรมดา ให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติธรรมดากระทบแล้วปล่อยให้มันเกิดปฏิกริยาไปตามธรรมชาติธรรมดาปฏิกริยาที่เกิดขึ้นเป็นความสุขบ้างเป็นความทุกข์บ้างเป็นความเฉยๆบ้างเป็นกุศลบ้างเป็นโลภโกรธหลงบ้างนี่หัดรู้ไปด้วยการที่เราคอยใส่ใจที่จะรู้สภาวะเนืองๆ น, นะต่อไปไม่ว่าสภาวะอะไรแปลกปลอมแม้แต่นิดเดียวนะเกิดขึ้นในกายเราจ ะ, ะระลึกได้เอง สภาวะอะไรแปลกปลอมขึ้นในจิตใจนิดเดียวเราจ ะ, ะระลึกขึ้นได้เองโดยไม่ได้เจตนาระลึกตรงที่สามารถะระลึกขึ้นได้เองโดยไม่เจตนาระลึกนี่แหละสติจริงๆเกิดขึ้นแล้วนะตรงที่ตั้งใจะระลึกตั้งใจหัดรู้ตั้งใจหัดดูเป็นการซ้อมเพื่อให้เกิดสติเท่านั้นเองนะงั้นพวกเราต้องฝึกไปเรื่อยนะหัดรู้ทันความรู้สึกของตัวเองความรู้สึกของเราเปลี่ยนแปลงทุกคราวนะ ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์อาศัยผัสสะกระทบนั่นเองก็เกิดเวทนาขึ้นมามีสุขมีทุกข์มีเฉยๆขึ้นมาพอมีเวทนาถ้าสติปัญญาเราเร็วนะเราก็จะเห็นว่าสักแต่ว่าเวทนาถ้าสติปัญญาไม่ทันรู้ยังช้าไปกนะิเลส จ, จะแทรกเวลามีความสุขเกิดขึ้นราคะจะแทรกเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นโทสะจะแทรกเวลาเฉยๆเกิดขึ้นโมหะก็แทรกอีก แต่ว่าโมห oh ะนี่เป็นกิเลสยืนฟื้นเกิดร่วมกับราคะโทสะด้วยเวลาที่เรามีราคะทุกคราวที่มีราคะาในขณะนั้นมีโมหะด้วยทุกคราวที่มีโทสะในขณะนั้นมีโมหะด้วยเกิดร่วมกันอย่างนี้โมหะเนี่ยเกิดร่วมกับราคะก็ได้เกิดร่วมกับโทสะก็ได้เกิดเดี่ยวเดี่ยวก็ได้แต่าราคะโทสะเนี่ยต้องเกิดร่วมกับโมหะเสมอราคะกับโทสะไม่เกิดร่วมกันเองแต่ต้องเกิดร่วมกับโมห oh ะ โมหะเป็นตัวยืนพื้นในตัวหลงนี่เองเรามาฝึกให้มีสติว่องไวนะจะได้ไม่หลงไม่หลงยาวอะไรแปลกปลอมเข้าในใจคอยรู้สึกอะไรแปลกปลอมเข้าในใจคอยรู้สึกนะถ้าคนไหนถนัดกายอะไรเกิดขึ้นในร่างกายร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกแล้วสติตัวจริงมันจะเกิดขึ้นสติตัวจริงนั้นมันเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจโดยที่เราไม่ได้เจตนา ไม่ต้องจงใจรู้หลวงพ่อรหัสกรรมฐานมาแต่เล็กรหัสแต่สมาธิตามานาปนาสติอยู่22ปีนะมีแต่ของเล่นของจริงไม่มีเลยไม่รู้วิธีเดินปัญญาไปเจอหลวงปูดุลนะท่านก็พบว่าวิธีที่หลวงพ่อเหมาะกับการเจริญปัญญาก็ ค, คือการดูจิตตนเองท่านก็สอนให้ดูจิตลูกศิษย์บางคนนะหลายคนด้วยหลวงปูดุลสอนดู ก, กายนะไม่ใช่ดูจิตอย่างเดียวท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่อัศจรรย์ สอนไว้หลากหลายมากเลยท่นสอนให้หลวงพ่อดูจิตหลวงพ่อมาดูจิตนะต่อไปฝึกไปเรื่อยสังเกตจิตไปเรื่อยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแรกวก็จงใจสังเกตต่อไปพอความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นเนะี่ยมันรู้เองนะไม่ต้องสังเกตเลยมันรู้เองเลยมันรู้ทันไวปั๊บเลยใจกระเพื่อมพลิกคลิกขึ้นมานี่ก็เห็นแล้วนะใจกระเพื่อมไหวพลิบเดียวก็เห็นแล้วอยู่ในห้อ ง, องนี้นะ แสงแดดกระทบลูกตากระทบเปลือกตาปฏิฆาเกิดปฏิฆาเกิดไม่พอใจแล้วเนี่ยตั้งแต่ปีสองห้าฝึกเงี้ยความไม่พอใจเกิดขึ้นนิดเดียวจากแสงแดดมากระทบเปลือกตาก็เห็นแล้เห็นปฏิฆาที่เกิดแล้วเนี่ยฝึกอย่างนี้นะเนี่ยฝึกดูจิตมาแล้วก็หัดดูสภาวะมาสติเร็วมากเลยมีอยู่คราวหนึ่งเข้าไปกราบหลวงพ่อเทียน ได้ยินชื่อท่านมีชื่อเสียงนะสมัยโน้อนอยู่วัดสนามในอยู่ฝั่งทนแถวสังฮีนะั่นเข้าไปตะก่อนนี่เข้าไปกราบท่านนะอยากไปดูท่านนะไม่ได้ว่าจะไปถามอะไรท่านหรอที่เรียนจากหลวงปู่ดูลนะเข้าใจแล้วนะเข้าไปเห็นหลวงพ่อเทียนกำลังสอนลูกศิษย์อยู่ลูกศิษย์เป็นโยมนะไม่เห็นท่านสอนปลาเห็นท่านสอนโยมท่านสอนให้ขยับขยับแล้วรู้สึก ว่าขย่าธาตุรูป้ปลุกความรู้สึกตัวไปดูเขาแวบๆนะก็ไปนั่งใต้ต้นไม้เล่นบ้างขยับบ้างขยับนะดูท่านแล้วก็มาหัดขยับขยับอยู่วันสองวันเท่านะั้นมาทำงานอันนึงเดินอยู่ทีมถนนเห็นเพื่อนมันเดินอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนกันตามมองเห็นเพื่อนนะมันดีใจขึ้นมาไม่รู้ว่าดีใจไม่เจอคนนี้นานแล้วกําลังอยากเจอก้าวขานะ เพื่อจะข้ามถนนไปคุยกับมันพขาเคลื่อนเท่านั้นเองร่างกายเคลื่อนไหวนะสติระลึกปั๊บเลยเฮ้ยเผลออยู่ระลึกได้เลยเผลออยู่ทําไมมันระลึกขึ้นได้เองเราเคยขยับแล้วเรารู้สึกเพราะนั้นพอร่างกายขยับเรารู้สึกเวลาซ้อมนี่ยขยับมือนะตอนที่สติมันเกิดจากกายคราวแรกเนี่ยเคลื่อนไหวเท้าไม่ได้ซ้อมขยับเท้าเลยนะซ้อมแต่ขยับมือมนันอัตโนมัติขึ้นมานะ เลยรู้เลยว่ามีสติรู้กายเนืองๆนละ้วคอยรู้สึกกายอยู่บ่อยๆนะสติก็เกิดมีสติคอยรู้จิตใจอยู่เนืองๆนะสติก็เกิดสติลักษณะเดียวกันเปรียบเลยที่เกิดขึ้นมาคือรู้สึกตัวขึ้นมาหลุดออกจากโลกของความคิดหลุดออกจากโลกของความหลงเป็นอันเดียวกันเลยนะั่นหลวงพ่อนั้นโยนคําว่าสายกายสายจิตทิ้งตั้งแต่นั้นเลยไม่มีสาระเลยมันอันเดียวกันนั่นแหละมีสตินั่นแหละเป็นแกะกลาง ไม่มีคำว่าสายกายสายจิตไม่มีสายไหนหรอกมีแต่ว่าสายไหนมีสติก็ใช้ได้แล้วอันไหนไม่มีสติก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันหมดเลยนั่เรามาฝึกให้มีสตินะพอเราสติเราชำนี้ชำนานแล้วต่อไปกิเลสอะไรเกิดขึ้นในใจเราแม้แต่เล็กแต่น้อยนะสติระลึกเองเลยทันทีที่กิเลสเกิดขึ้นในจิตแล้วสติระลึกได้เนี่ยกิเลสจะดับอัตโนมัติมันเป็นกฎของธรรมชาตินะกฎของธรรมะไม่ใช่กฎของธรรมชาติ กฎของธรรมะธรรมะกับธรรมชาติไม่เหมือนกันนะธรรมชาติเป็นสภาวะที่เกิดดับธรรมะนั้นเหนือจากเกิดดับไปอีกเป็นความจริงแท้ที่ไม่เกิดดับเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสตินี่เป็นกฎของธรรมะข้อหนึ่งนะงั้นทันทีที่เรารู้สติระลึกได้ว่ากาลังโกรธอยู่ความโกรธจะดับอัตโนมัติ เราไม่ต้องไปดับมันมันดับของมันเองทันทีที่สติเกิดกิเลสดับอัตโนมัติง่อนกันที่เราฝึกรู้ทันสภาวะที่เกิดขึ้นเลหนึ่งเหนงนะงัะ ด, ดูสภาวะที่เกิดขึ้นหนึ่งเหนงเนี่ยนะต่อไปพอใจโกรธปั๊บนะสติระลึกระลึกอัตโนมัติขึ้นมาความโกรธจะดับเมื่อความโกรธดับเราจะไม่ทำผิดศีลเพราะความโกรธเวลาทาความโกรธเกิดทาผิดศีลข้อไหนได้บ้างในห้าข้อ ทำได้ทุกข้อนะไปเป็นชู้กับเมียเขาก็ไดไ้ไปหลอกลูกสาวเขาก็ได้ไประพฤติผิดในกรรมไดนะ้เพื่อแก้แค้นมันมทําได้ทุกข้อนะเวลาความโลภเกิดขึ้นทําผิดศีลข้อไหนได้บ้างได้ทุกข้อนะไม่มีละเว้นเลยนะเวลาโมหะเกิดทําผิดศีลข้อไหนได้บ้างไอ้นี่ง่ายนะ ตอไม่ได้ก็โง่แล้วขนาดราคาโทรศัพท์ยังทําผิดศีลได้ทุกข้อเลยนะแต่ถ้าสติะระลึกปับนะกกกป๊บนะกิเลสเกิดระลึกปั๊บนะกิเลสกระเด็นไปเลยจะทําผิดศีลไม่ได้คนทําผิดศีลได้เพราะกิเลสครอบงําจิตนะถ้าไม่มีกิเลสไม่มีทางทําผิดศีลเลยนะอัตโนมัตินะศีลอัตโนมัติมันจะเกิดเห็นไห้เรามาหัดแต่เดิมเรารักษาศีนี่ยากที่สุดเลย รักษาศีลเนี่ยรักษาที่กายรักษาที่วาจาเนะี่ยากที่สุดเลยต้องรักษาที่ใจถ้ามีสติคุ้มครองรักษาจิตอยู่กิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตมีสติรู้ทันนะกิเลสจะดับศีลอนตโนมัตมันจะเกิดขึ้นเพราะั้นรักษาศีลข้อเดียวนะคือมีสติรักษาจิตเอาไวนะ้นะศีลทั้งห้าข้อมันเกิดขึ้นได้การที่เรามีสติคอยรู้ทันจิตเรื่อยๆนะสมาธิก็จะเกิดสมาธิ มันตรงข้ามกับความฟุ้งซ่านจิตที่ฟุ้งซ่านนะเพราะจิตเที่ยวร่อนเร่สแสวงหา อ, อารมณ์โน้นอารมณ์นี้จับแบบจับจดจับอารมณ์โน้นทีจับอารมณ์ น, มนี้ทีจิตมันฟุ้งออกไปทําไมจิตถึงฟุ้งซ่านเพราะจิตไม่มีความสุขจิตเที่ยวหาอารมณ์เพราะเที่ยวสแสวงหาความสุขถ้าเรามีสติรู้ทันนะอะไรเกิดขึ้นในจิตเรารู้ทันจิตไม่ได้มีความสุ ข, ขขึ้นมาในตัวเองนะมีความสุข ข, ขึ้นมาได้ นะความทุกข์เกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันความทุกข์จะดับไปให้ดูเลยจิตใจก็มีความสุขขึ้นมาอยู่เฉ ย, ยๆความสุขก็ช่วยขึ้นมาได้นะหรือถ้าจะช่วยมันนะจิตใจเราไม่ค่อยมีความสุขเราคอยรู้ทันเวลาจิตฟุง้งซ่านก็ได้นะทําได้หลายแบบเวลารู้ทันว่าจิตฟุง้งซ่านความฟุง้งซ่านจะดับจิตจะสงบพอจิตสงบนะแวบแรกนะจะมีความสุขพอมีความสุขผุดขึ้นมานะต่อไปนี้จิตจะชอบ จิตจะคอยรู้คอยรู้คอยดูอยู่ด้วยนะมีความสุขเลี้ยงอยู่เรื่อยๆจิตจะไม่ฟุ้งซ่านความสุขเป็นเหตุให้เกิดสมาธิงั้นอาศัยสติรู้ทันจิตไปเรื่อยนะจิตใจจะมีความสุขนิวร์เกิดขึ้นเมื่อไหรจิตไม่มีความสุขเมื่อนั้นกิเลสเกิดเมื่อไหรจิตไม่มีความสุขอย่างความสงสัยเกิดขึ้นความลังเลสงสัยเกิดขึ้นมีความสุขไหมไม่มีเห็นไหมสติระลึกเห็นความลังเลสงสัยความลังเสงสัยดับปั๊บความสุขก็เกิดขึ้น ความฟุ้งซ่านทําให้ไม่มีความสุขสติะระลึกรู้ความฟุ้งซ่านอุทัจจะ ก, กุกุจจนะอะไรมันขาดปับ๊บนะไม่ฟุ้งซ่านก็ ม, นมีความสุขขึ้นมานะจิตบ้า ก, กามสติะระลึกรู้ทันนะความบ้า ก, กามดับความติดอกติดใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภ า, ภายนอกดับไปจิตก็ไม่แส่สายออกข้างนอกจิตก็สงบมีความสุขอยู่ในตัวเองนะงั้นถ้าบางคนบอกฝึกสมาธิยากฝึกสมาธิยากนะ มีสติรักษาจิตไว้สิสมาธิจะเป็นของง่ายจิตมันจะไม่ฟุ้งซ่านนะถ้ามีสติคอยดูแลจิตอยู่ถัดจากนั้นก็มาเดินปัญญามีสติรู้กายรู้ใจรู้รูป ร, ร, ร, ร, รู้นามนี่แหละแต่รู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางจิตที่สบายๆเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะนะั่นแหละตัวนี้ที่หลวงพ่อเียนท่า น, นบอกว่ารู้ทันจิตคิดแล้วได้ไ ด, ได้ได้ตรวจรู้ขึ้นมาเป็นต้นทางของการปฏิบัติ ขยับเนี่ยเขย่าธาตรู้ปลุกความรู้สึกตัวขึ้นมาเราต้องมีจิตที่รู้สึกตัวขึ้นมาแต่ว่าอยู่<ม>รู้สึกตัวอยู่เฉยๆปัญญาจะไม่เกิดนะจำไว้นะความรู้สึกตัวเป็นแค่องค์ประกอบหลักตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งที่จะต้องประกอบด้วยเสมอคือสติปัญญาถึงจะเกิดอาศัยสติะระลึกรู้รูป ร, รู้นามรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไป แต่ต้องรู้ด้วยจิต ท, ที่ตั้งมั่นเป็นกลางจิต ท, ที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นเองจิต ท, ที่หลุดออกจากโลกของความคิดนั่นเองอาศัยองค์ประกอบสองอันนี้เองเป็นตัวหลักนะมีสติรู้กายรู้ใจมันมีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจคอยรู้แต่รู้ด้วยจิต ท, ที่ตั้งมั่นจิต ท, ที่ไม่หลงไม่ไหลไปนะถ้าจิตไหลไปหลงไปนะปัญญาไม่เกิดนะความฟุ้งซ่านจะเกิดขึ้นแทนฉะั้นสมาธิความตั้งมั่นตัวนี้ถึงเป็นตัวชี้ขาด มีสติแต่ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นปัญญาจะไม่เกิดนะถ้าจิตตั้งมั่นแต่ไม่เอาสติไปะระลึกรู้ความเปลี่ยนแปลงของรูปนามปัญญาก็ไม่เกิดนะอาศัยองค์ประกอบสองอย่างนี้ช่วยกันหลวงพ่อถึงสรุปลง ม, มาว่าให้พวกเรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะแล้วก็วงเล็บว่าจะรู้ตามความเป็นจริงได้ต้องรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง จิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเนี่ยเกิดจากการที่เรารู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นและไม่เป็นกลางนะะั่นแหละถ้าเรารู้ทันเวลาจิตมันไม่ตั้งมั่นก็มันไหลมันไม่มีสมาธิมันไหลเรารู้ทันว่าไหลแล้วมันก็ตั้งแนละ้วพอมันเป็นกระทบอารมณ์สติรู้รวอารมณ์เนี่ยจิตไม่เป็นกลางมีสติรู้ความไม่เป็นกลางมันเป็นกลางเองอาศาัยสตินี่แหละเป็นเครื่องมือสําคัญนัพัฒนาจนได้จิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง พอได้จิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางก็อาศัยสติและจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนี้มาเจริญปัญญาด้วยการรู้กายรู้ใจตามที่เขาเป็นตามที่มันเป็นมันเป็นไตรลักษณ์ไม่เป็นอย่างอื่นมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางปัญญาก็จะเกิดนะจะเห็นความจริงของรูปนามว่ามันตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ legend. ไม่ใช่ตัวตนถาวรอะไรตัวเราไม่มีเบื้องต้นจะเห็นว่าตัวเราไม่มีเบื้องปลายจะเห็นว่าขันห้านี้มีแต่ทุกข์ล้วนล้วนหาสาระแก่นสารไม่ได้บางท่านเห็นขันห้าเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงบางท่านยอมรับว่าขันห้ามันเป็นของไม่ดีของไม่วิเศษนะเป็นกองทุกข์เนี่ยเพราะมันถูกบีบคั้นมันทนอยู่ในภาวะอันแดอนหนึ่งไม่ได้บางท่านยอมรับว่าขันห้าเป็นทุกข์ไร้สาระยึดถือไม่ได้นะเพราะเห็นความจริงว่ามันไม่อยู่ในอำนาจ เคยเห็นในใจลักนั่นหนึ่งเพียงมุมใดมุมหนึ่งของใจลักนะจิตจะสลัดคืนขันห้าให้โลกเมื่อจิตสลัดคืนขันห้าให้โลกแล้วเนยจิตจะทรงธรรมอยู่นะจิตจะแปลสภาพไปไม่เหมือนจิตที่เคยเป็นหรอกจิตของเรามีจุดมีดวงมีขอ บ, ม, ขอบมีเข็มีที่ตั้งวิ่งไปวิ่งมาทั้งวันทั้งคืนมีความปรุงดีมีความปรุงชั่วหนะลงในความสุขหลงในความทุกขนะ์ในจิตที่สําลอกกิเลสออกไปหมดสิ้นแล้วไม่เป็นอย่างนั้นเลย โดนเด่นสว่างสวัยอยู่งั้นไม่มีอะไรปรุงแต่งนะไม่มีขอบไม่มีเขตนะสัมผัสกับพระนิพพานเต็มที่เต็มภูมิอย่างนั้นมีความสุขที่สุดเลยนะไม่มีเครื่องเสียดแทงใดๆเข้ามาเสียดแทงถึงจิตชนิดนี้ได้เลยค่อยฝึกนะงั้นะไปพัฒนาสติให้ดีแล้วศีลสมาธิปัญญาวิมุตติมันจะเกิดขึ้นไหนๆก็เรียนมาสมวันแล้วนะนิมอนต์เลยครับนิมนต์ฉันนะ